ตอนที่ยี่สิบสื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V ว o i e ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ขอความสันติจงมีแ ด, ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ v Voice ตามหาสันติภาพดิฉันสมอุสาาบัวพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในตอนสุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสื่อกับกระบวนการสันติภาพค่ะซึ่งหลายฝ่ายลงความเห็นว่า สื่อก็มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสันติภาพมีการยืนยันว่าขณะ น, นี้ทางรัฐบาลไทยนะครับมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมหรือว่า B.R.N. ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อหวังยุติความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทยหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุร้ายบริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนาราธิวาสเมื่อเช้ามืดวันนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นหกราย โดยเช่องก่อนเกระเหตุเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รวมลงนามกับนบายอัสสันหลังการเปิดฉากพูดคุยระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยและ BRN อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2556สื่อต่างๆก็เริ่มจับตาและเกาะติดกระบวนการพูดคุยมากขึ้นนะคะบางก็ว่าการพูดคุยหนนี้จะเป็นอย่างไรจะล่มไม่ล่มหรือคนที่มาเป็นตัวแทนพูดคุยตัวจริงหรือตัวปลอม การพูดคุยหต น, นี้จะนำไปสู่การเจราจาสันติภาพในภาคใต้ได้หรือไม่แต่การจะรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้คนทําสื่อเองก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพพอสมควรนะคะและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะกลุ่มผู้ทำงานด้านสื่อทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นสื่อทางเลือกก็ตั้งวงพูดคุยกันถึงกรอบและแนวทางการรายงานข่าวท่ามกลางกระบวนการสันติภาพค่ะคุณติชิลาพุทธาสารพัน จากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักบอกว่าจำได้ว่าในช่วงเดือนหรือว่าหลังจากที่พูดคุยสัานีภาพในครั้งแรกสื่อที่ออกมาส่วนใหญ่จะเรียกได้ว่าขัดขวางก็ได้นะกับกระบวนการพูดคุยสัานีภาพเกิดขึ้นจากความไม่เชื่อมั่นแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับคนทั่วไปเขารู้สึกเพราะฉะนั้นข่าวในช่วงแรกของการพูดคุยเดินๆแรกพอมีคุยกันปับ๊บข้าวหกศก เล่นกันกรนหน่ำเลยพอผ่านไป2เดือน3เดือนนักข่าวเองก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมความสงสัยเอ๊ะยังไงไหมและในระหว่างนั้นเนี่ยหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรก็เริ่มมีการขับเคลื่อนในการที่จะให้ข้อมูลของกระบวนการพูดคุยสันติภาพข่าวมันก็เริ่มมีความหลากหลายขึ้นแต่หลากหลายในที่นี้สําหรับก้อยตอนนี้ณนะขณะ น, นี้ยังมองว่ายังมีคําถามอยู่ในใจว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ย มันเป็นกระบวนการสร้างสัาิภาพแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอะไรข่าวที่เราได้มาจากฝ่ายรัฐไทยล้วนๆมาจากคนไทยล้วนๆผู้ดได้รับผลกระทบคนอยู่ในพื้นที่แต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปฟังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคู่เจราจารเลยถามว่ามันทําให้ขาดไหมขาดนะองค์ประกอบของข่าวมันขาดไปคือการทํางานของสื่อมันมันก็มีข้อจํากัดของมันคือสื่อไทยต้องยอมรับว่า คนในพื้นที่หรือคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาไม่ได้ไว้วางใจเราเขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเราซึ่งสิ่งเนี้ยเราบางทีเราพยายามสร้างแต่ว่ามันถ้าถ้าเขาไม่เชื่อเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเลือกแต่เราก็ต้องขนขวายเราะว่าสื่อที่ดีถ้าจะให้กระบวนการผู้คุยสารภาพไปให้ได้นะควรจะทําหน้าที่แบบอุดร้อยรั่วที่มันจะล่มหรือบางทีเนี่ย การที่เหมือนอสชันต่อเยิบออกมาพูดกับสื่อเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่อยากพูดโดยตรงกับรัฐไทยเนี่ยเขาอาจจะพูดกับสื่อก็ได้ห ร, หรือเรื่องบางเรื่องที่รัฐไทยอยากจะพูดโดยตรงกับตอ่อยิบแต่ไม่กล้าพูดบนโต๊ะเนี่ยเขาอาจจะพูดกับสื่อก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละบทบาทสําคัญของสื่อที่ต้องประสานลอยแล้วแต่ว่าสื่อจะทําตรงนั้นได้ก็ ต, ต่อเมื่อนหนึ่งคุณต้องเชื่อมั่นในกระบวนการนี้ก่อนสองแล้วคุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณอยากช่วย 3คือคุณต้องอยากเห็นว่าปัญหาที่นี่อยากจบและสี่ที่สําคัญคือคุณต้องก้าวผ่านผลประโยชน์ของคุณไปให้ได้ว่าเมื่อไม่มีข่าวฆ่ากันตายคุณก็ยังมีกินในการราย ง, งานข่าวกระบวนการสันติภาพสื่ออาจจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษนะคะและต้องหาความรู้ต่างๆมาเสริมรวมถึงการทํางานของสื่อต้องเปิดพื้นที่ให้คนหลากหลายกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยคุณมู h a m มัดอายุปาทาน จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะไปหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพได้ค่ะผมว่าการพูดคุยเท่ยวนี้มันเปิดต่อปราร์ิกต่อสาธารนณะถ้าสื่อมวลชนไม่สนใจอันนี้เน่าอันที่สองเนี่ยการพูดคุยเที่ยวนี้มันชัดว่าประเทศไทยให้การยอมรับว่ามี BHN จริงอันที่3านี่ผมว่าสําคัญสำหรับผมเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยยอมรับให้มันเลยเป็นตัวไกลเกลีย่ยสาประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มันเป็นตัวสําคัญใ น, ในตัวแสดงไง ในกระบวนการสันนิภาพผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจตัวแสดงเมื่อไหรเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ถ้าสื่อมวลชนเองไม่เข้าใจตัวแสดงเนี่ยในกระบวนการสันนิภาพมันจะเป็นปัญหาว่าเราเองจะเป็นตัวสปอยเลอร์ไปก็ได้เนีเป็นตัวทําลายกระบวนการสันนิภาพธ์มาโดยอตัตโนมัติสื่อควรมีแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวที่สอดรับกับบรรยากาศกระบวนการสันนิภาพและไม่ใช่สื่อมวลชนเฉพาะสื่อกระแสหลักไอ้สื่อทั้งเลือกมันก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันนะสื่อควรเป็นพื้นที่ของเครือข่ายของการพูดคุยโดยใช้แหล่งข่าวที่มันหลากหลายกลุ่มไง เพื่อให้มีพื้นที่ในการสนทนาอะไรก็ว่าไปทีนี้อันที่สี่ที่ผมว่าสําคัญสําหรับผมเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องการสื่อสารเราพูดเรื่องสมดุลอยู่ตลอดนะผมว่ามันต้องสมดุลข่าวสารให้ได้ไงคนที่นี่มันมีหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติมันต้องสร้างสมดุล น, นี้ด้วยกับการสื่ภาพมันต้องการความสมดุลด้วยนะสําหรับผมเนี่ย <Yeah. S 1> การรายงานข่าวในกระบวนการสันนิภาพสิ่งที่มันจําเป็นมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราเข้าใจว่าขั้นตอนการพูดคุยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นไหน อันนี้เป็นการเจรจาหรือการพูดคุยหรือว่าขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรผมว่าอันนี้สื่อมวลชนจะต้องเข้าใจคําว่าสื่อมวลชนในความเห็นผมเนี่ยไม่ใช่จะพะก้อยไม่ใช่จะพาะผมนะรวมไปถึงกอ ร, รมาธภาคสี่ส่วนหน้าด้วยคือถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณจะเขว้เลยกระบวนการว่าถ้าคุณให้ปล่อยให้กระบวนการสันติภาพนี้ล้มนะถ้าว่าคุณกาลังจะยอมรับให้เกิดการเริ่มไปนับหนึ่งเรื่องการฆ่าใหม่เลยนะอันนี้ไม่ได้อันนี้มันโหดร้ายมากนะคิดแบบเนี้ย ด้านสื่อท้องถิ่นอย่างสื่อวิทยุที่เข้าถึงชาวบ้านได้มากก็เริ่มมีผู้จัดรายการหันมาจับประเด็นเรื่องสันติภาพนะคะให้ความรู้และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับผู้ฟังอย่างสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันมีเดียสลาตันออกอากาศเป็นภาษามล า, ายูค่ะออกอากาศครอบคลุมทั้ง3จังหวัดและบางส่วนของสงขลาคุณไวห์หามะไวคือจิกบอกว่าที่หันมาจับประเด็นเรื่องสันติภาพเพราะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้เอื้อต่อการพูดคุยค่ะ จริงๆแล้วเราตระหนักว่าวิทยุในพื้นที่เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อมีส่วนร่วมกับกระบวนการสันติภาพเราก็อาสามามีรายการอย่างนี้ขึ้นมากลางคืนเนี่ยสองทุมถึงสี่ทุ่เนยเราเปิดประเด็นเรื่องสันติภาพโดยเฉพาะชื่อรายการว่าโลกวันนี้ก็คือดุนยาฮารีนี้ในในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะเอาองค์ความรู้เรื่องข่าวเรื่องอะไรต่างๆมาบอกให้กับพี่น้องให้รับรู้ข่าวสารเพื่อให้ ทันต่อโลกปัจจุบันแล้วในชั่วโมงหลังนี่เราก็จะจับประเด็นหัวข้อเพื่อมาพูดคุยให้ชาวบ้านพูดเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะนั้นในระยะเริ่มแรกเนี่ผมไม่ได้กําหนดว่าหัวข้อพูดคุยวันนี้ว่าอะไรสรุปว่าสองอาทิตย์แรกเป็นเรื่องมัดดเกราะทางหลายทั้งพวงเลยเรื่องเอการาชทั้งนั้นเลยไอเราก็ทนหูอื้ออยู่จัดรายการคาบคาบคาบคต้องคาบก่อน ทีนี้วิธีที่จะให้บาลานซ์ก็คือให้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนพูดหลังจากนั้นเพื่อให้เขาได้คิดได้อีกมุมมองหนึ่งผมคิดว่าอยากจะสื่อสารไปยังสถานีที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเรามาร่วมกันและมีทงเรื่องสันติภาพผมน่าจะดีแทนที่เราจะเปิดเพลงอะไรไม่ใช่เพลงไม่ดีก็ดีอีกแบบหนึ่งแต่ว่า บรรยากาศตอนนี้มันเอื้อต่อการพูดคีเรื่องสันติภาพในพื้นที่ตอนนี้นี่ผมเข้าใจว่าสื่อที่ถึงชาวบ้านมากที่สุดคือวิทยุแต่ผมคิดว่าถ้าเรายังกลัวถ้าเรายังข้ามไม่พ้นจากสิ่งนี้นี่ผมคิดว่าพูดเรื่องสันติภาพหนึ่งล้านครั้งก็ไม่เท่ากับเราทำหนึ่งครั้งถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเชื่อเรื่อง การพูดคุยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จให้เปรียบเสมือนกนทั้งคันโดยปกติกนทั้งคันนี่เก้าเดือนถึงจะคลอดแต่การพูดคุยครั้งนี้เสมือนแม่ยังไม่พร้อมแม่จะอายุเจเดือนแต่จำเป็นต้องคลอดเราในฐานะประชาชนคนปัตตานีต้องขอสวดโออภวนาเพื่อลูกที่คลอดมาที่ชื่อสันติภาพจงรอดปลอดภยัย นี่คือเสียงชาวบ้านแต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านสื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรคกมลจางกมลคณะบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานคาริน์วิทยาเขตปัตตานีมองว่ากระบวนการสันติภาพกับสื่อเป็นเรื่องที่ขัดแยง้งย้อนแย้งกันหลายประเด็นค่ะและสื่อต้องปรับตัวในการรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพอย่างมากโดยเฉพาะตัวองค์กรสื่อเอง จริงๆแล้วกระบวนการสันติภาพนั้นมันซับซ้อนแต่ว่าการทำงานของสื่อนั้นยึดความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะนี่คือความย้อนแย้งประเด็นแรกในประเด็นที่2กระบวนการสันติภาพนั้นมันใช้เวลายาวนานนะคะทั้งในจุดเริ่มต้นและการพัฒนาไปสู่เป้าหมายแต่ว่าการทำงานของสื่อนั้นมันเน้นความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงที ความย้อนแย้งประเด็นที่3กระบวนการสันติภาพนั้นมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่บางทีมันก็น่าเบื่อหน่ายแต่ว่าการทํางานของสื่อนั้นต้องการความร้าใจต้องการดึงดูดความสนใจผู้รับสารประเด็นที่4ก็คือว่ากระบวนการสันติภาพที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นมันจะต้องนําไปสู่ความคลี่คลายความตึงเครียด แล้วก็คลี่คลายความตื่นเต้นของความรุนแรงของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าการทำงานของสื่อต้องการขายความรุนแรงสื่อต้องการขายความขัดแยง้งแล้วก็ความย้อนแย้งในประเด็นสุดท้ายเราพบว่าในหลายๆขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพนั้นมันต้องดำเนินอยู่ในที่ลับแต่ว่าการทำงานของสื่อนั้นเน้นในการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลแบบรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงในการเผยแพร่ให้เร็วที่สุด มันเลยเป็นที่มาของสถานาการณ์ปัญหาว่าทําไมการรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพในสื่อที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันถึงมีปัญหาอยู่แบบนี้แล้วมันยังไม่นําไปสู่การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพนะคะ อย่างไรก็ตามดิฉันเองยังมองว่าในวงการสื่อเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะปรับตัวหันมาทบทวนบทบาทของตัวเองกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการราย ง, งานข่าวบางชิ้นแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่เห็นก็คือว่าในเมืองไทยมันยังเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนเฉพาะในะในระดับของปัจเจกบุคคลที่เป็นพวกนักข่าวมากกว่าในขณะที่ตัวที่เป็นภาพรวมขององค์กรวิชาชีพเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็น โดยเฉพาะยิ่งในองค์กรวิชาชีพสื่อกระแสะหลักตัวองค์กรสื่อนั้นนะคะต้องมีกระบวนการออกแบบแล้วก็จัดการเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในทุกขั้นตอนหากสื่อมีเป้าหมายชัดว่าต้องการให้เกิดสันติภาพเป็นปลายทางของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกๆขั้นตอนของการสื่อสารของอ ง, องค์กรสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพจะต้องมีการออกแบบและการจัดการเป็นระบบที่ชัดเจน ด้านนักวิชาการอีกรายและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในหลายประเทศนะคะรวมถึงกระบวนการสันติภาพในภาค ใ, ใ, ใต้ด้วยดรนอร์เบิร์ตโรเปร์สนักวิจัยอาวุโสสถานวิจัยความขัดแยง้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความท้าทายของสื่อค่ะสำหรับการนำเสนอข่าวกระบวนการสันติภาพสื่อจะต้องมีมาตรฐานต้องรับผิดชอบและต้องรายงานให้ครอบคลุมให้มากที่สุดค่ะแบบ Doctor Robert บอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนทํางานด้านสื่อจําเป็นจะต้องพิจารณาอย่างยิ่งคือการสร้างสมดุลกระบวนการสันติภาพที่มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่พูดไม่ได้เลยในที่สาธารณะกับสิ่งที่ควรจะต้องสื่อสารในทางลับอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อต้องระมัดระวังค่ะ และสื่อจะต้องมีมาตรฐานสื่อต้องทำหน้าที่แสวงหาความจริงตรวจสอบหาข้อมูลแบบไม่ลำเอียงมีการตรวจสอบข้อมูลหลายด้านและต้องรายงานอย่างถูกต้องตามบริบทของทั้งสองฝ่ายค่ะสื่อจะต้องส่งเสริมให้สาธารณชนมีความเข้าใจว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสื่อจะต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงได้มีเสียงมากขึ้น และสื่อจะต้องเปลี่ยนกรอบการรายงานข่าวจากเรื่องของการแพ้ชนะไปสู่การชนะของทั้งสองฝ่ายค่ะดรนเบิดมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากและเป็นเรื่องท้าทายอย่างใหญ่หลวงสําหรับสื่อค่ะสําหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ v Voice ตามหาสันติภาพดิฉันสมอุสสาวพัวพันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ สนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w วิร์ w ไว e ์เว็ com, ผู้หญิงภาคประชาสังคม